10 นาทีต่อไปนี้สํานักงาน ปปส. ให้ 80 พรรษา 5 2550 รวมพลังไทยพลัง ร่วมเทิดทายองค์วรการปลายฟ้าสลายที่ปลาย เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีชุมรักษาประเพณีอันดีงามไว้ให้เข้มแข็งมีชีวิตครอบครัว ต่อไปนี้ขอ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 หมอก 22 ความเดิมตอนที่แล้วคิมจูหนี ทั้ง 2 คนเลยกิน ที่แล้วฉันจะฉันยังไม่อยากกลับบ้านเลยค่ะกลับบ้านแล้วค่ะคุณกันแล้วฉันฉันจะไปเอ่อผมมีอะไรจะพูดกับคุณ งั้นฉันก็ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ค่ะก็ยินดีให้ความร่วม มัยผมจะเข้าไปจะมีอะไรไหมในไม่ได้หรอคุณพยาบาลครับน้อง เรื่องอะไรฉันจะกลับไปให้นายซี้อั้นนั่นลังแก ทางงานชั้นกลับก่อนนะคะคุณหมอครูใหญ่ขอโทษที่มารบ ก็ทำไมถึง แต่เป็นปลัดธัญญะกับเจ้าหน้าที่มาก ต้องใช้ตาต่อตาฟันต่อโอ๊ย แม้ว่าเราจะเกลียดหรือว่ารังเกียจพวกนี้มัน ในโคนตมมักจะ วันนี้ครอบครัวเรามีความสุขกันมากค่ะตั้ง เดี๋ยวพี่จะหวนกลับหรอคงใกล้จะกลับมากัน ไปเห็นแก่ลูกขอบคุณมากครับเมียครับฉันทําฮะก็ ทลายกำแพงใจให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสร็จบิดนาย ทำอะไรหิงๆ บอกแกไปก็ไม่เข้าหวานไปไหนอ่ะก็ได้ดีอะไรเข้าใจน่ะ หว่ามังไปอยู่กับหัวหน้าๆคอยดูสิดูสิเอาไหนอืม พี่แสงแสงหือมีอะไรเหรอปอฉันทั้งหางที่จะต้องถามว่าไป กินยาซะยังดีกว่าพอเมาขึ้นมาก็ไม่ต้องคิดอะไรแต่<อ> อะไรนะนะพี่ถามว่าเรามาคบกันดีมั้ยเรา 2 คนน่ะ อะ, พอที่จะแต่เรายังเด็กเกินไปนะซ้ําเติมกันในวันหน้าเพราะ ลองเริ่มต้นกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่ลุกขึ้นสิจ๊ะพ่อส่งมือมาช่วยฉุดไป <c oughs> อย่างน้อยก้อนในระยะนี้ระยะนี้เหรอคะกว่าระยะนี้ รับที่ดีทั้งนั้นเลยเงินก็พอแค่นี้ก่อนดีมะผมได้ยินเสียงทองใครก็ไม่รู้ทั้งนั้นเลยงั้นก็พอแค่นี้ก่อนดีบ้าเอ๊ะ ผมจะเลี้ยวนะและหมอระวังนะปึ๊บมันเหยตามอยู่หรือเปล่าคะอย่า หล่นตัวนะคะเดี๋ยวไปอ๊ะหึเราน่าจะปลอดภัยแล้วนะใจ มันตกใจที่ผมขับรถเข้าใส่มะลิทุ่งลง จะหมอบ ตรวจไปเคลียร์เท่านั้นแล้วล่ะแต่ไม่เจอใครนอกจากรถมอเตอร์ไซค์ ที่สามารถจัดการกับปัญหายาบ้าค่อนข้างได้ผล ว่ามันจะจัดการกับใครมันจะจัดการกับใครยาพวกๆ ทำลายกำแพงใจให้อภัยบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์จำกัดมหาชนผู้ลึกยาเสพติดถ้าเขามี นักผู้แสดงมีดังต่อไปนี้อาทรภาธิภัทนะทินดาเกียรติศิริเปรมกมลโชติกษัตริย์ธีรบุญยฤทธิ์ และเฉลิมพลสิริประเสริฐศักดิ์ชนะฐานอาสาควบคุมเสียงอาทรภาธิภัทนะดินดา